วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่แต่ตามไม่จริงปีนี้เป็นแปดสองหนแล้วก็วันพระนาเนี่ยแปลว่าเป็นวันเดือนสีน่เพนเป็นวันมาฆบูชาแต่ตามไม่จริงถ้าก็ว่าไล่เลียงตามวันเดือนก็ เดือนสามเพนที่ผ่านมานั่นแหละเป็นวันมาฆบูชาแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนก็เลยเป็นเดือนมีนาวันที่เจ็ดมีนาวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากุมภาวันที่เจ็ดมีนาเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวางกฎรัฐธรรมนูญปกครองสงศ คือสวดโอวาทปฏติโมกบัญญัตวินัยปกครองสงภิกษุ2250รูปมาร่วมประชุมวันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยของเราเป็นวางกฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองประเทศอย่างนั้นแหะแต่นี่พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลส เป็นผู้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปเป็นผู้หมดกิเลสไม่มีกิเลสในใจหรือในในพระไทยทุกองค์ที่มาร่วมกันแล้วก็บรร ญ, ญัติวินัยลงมติกันพระพุทธองค์เป็นประธานวางกฎระเบียบปกครองสองฆ์วินัยรูปสินที่พระพุทธเจ้า บัญญัติไว้กฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางกำหนดไว้ถึง 2,555 ปีก็ยังเป็นวินัยยังศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นกฎระเบียบที่ศักดิ์สิทธิ์แต่บางศิกขาบทก็ไม่จำเป็นในยุคปัจจุบันแต่โดยมากก็จำเป็นถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ พวกเราก็คงจะเข้าใจถ้าพวกเราได้ศึกษาถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาก็คงจะงงให้ข้าวสงสัยทำไมจึงพินัยจึงพอใจถูกต้องในยุคนั้นแต่มายุคนี้ไม่จำเป็นถ้าพวกเรายังไม่รู้ก็คงจะสงสัยแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อได้ศึกษามาแล้ว แล้ก็ให้พวกเราศึกษาอีกถ้าหลวงพ่อพูดไปก็ยืดยาวสิกขาบทบทไหนบ้างที่ไม่จำเป็นแต่สิกขาบทไหนที่จำเป็นมาถึงยุคนี้สมัยนี้มีเพราะนั้นพวกเราต้องอาศัยการศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องหลักพระธรรมวินัยอันนี้ก็คือเรื่องกฎรละเบียบ แต่เรื่องธรธรทมคำสอนพระธรรมท่านมีหลายระดับรรมและวินัยคือธรรมน่ก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนมีหลายระดับแต่ท่านเน้นหนักจริงๆก็เรื่องสมรรถะและวิปัสสนาที่จะกาจัดตัดถอนกิเลสภายในใจของพวกเราออก แต่เรื่องกฎระเบียบนั้นพระพุทธองค์บัญญัติในการอยู่การอยู่ร่วมกันเพื่อไม่ให้มีปัญหาไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ด้วยการอยู่ร่วมกันฝ่ายคณะสงฆ์หรือคณะสัตยาญาติโยมพ ร, ระพุทธองค์บัญญัติวินัยหรือวันบัญญัติกฎระเบียบและบัญญัติศินให้แก่พวกเราพุทธบริษัท4ี่อยู่ในกรอบของใครของเรา ถ้าว่าพระสงฆ์ไปทำเหมือนฆราวาดก็ไม่ใช่พระถ้าหากว่าฆราวาดมาทำเหมือนพระสงฆ์แต่ว่าจะมายึดอย่างพระสงฆ์กงทำไม่ได้เพราะพระสงฆ์กฎของพระสงฆ์เป็นกฎที่ละเอียดเป็นกฎที่ทำได้ยากถ้าฆราวาสมาทำอย่างพระสงฆ์เพราะฆราวาดญาติโยมทั้งหลายที่กราบพระสงฆ์ เพราะว่าทำไม่ได้ที่พระสงฆ์ทำเนี่ยทำไม่ได้อันนี้พวกให้พวกเราศึกษาทำไมทำไม่ได้อันนี้ป้องท่งศึกษาถ้าศึกษาจะรู้ว่าที่ทำไม่ได้ทำไมแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไปทำเหมือนคราวาสจะให้คราวาสเขากราบพระสงฆ์ได้อย่างไรเพราะตัวเองเป็นพระสงฆ์และไปทำตัวเหมือนกับคราวาสอันนี้แปลว่า ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีฮิลิไม่มีอตุตตระปาเป็นอรัชิตาเป็นอรัชีทําตนไม่ถูกต้องทําตนไม่เหมาะสมอันนี้ก็คือพระสงฆ์ในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์เราก็ต้องปฏิบัติตนตามทำคําสอนหรือ ว, ว่าตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ถ้าว่าเราปฏิบัติตามธรรม ทำวินัยแล้วเราจะมีความผาสุกไปณักสถานที่ใดไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าการเป็นนักพรษนักบวชเพราะนั้นในครั้งพุทธการมีพระเถระท่านหนึ่งแต่ไม่ใช่พระมาหากบินนะพระมาหากบะดิ น, นี่อีกรูปหนึ่งแต่มีอีกรูปหนึ่งชื่อพระพัทถิยะ แต่ว่าพระพัยองค์นี้จะเป็นองค์ไหนไม่ชัดเจนในประวัติของท่านพระพิยะมหานามาจัชชิก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านเป็นลูกของพรามแต่ พ, พัิยะองค์นี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมา ก, ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรารบถึงนะ่ที่พระไตรปิฎกพูดถึงเนะ่คือสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ปาราบถึงพระพัยะพระพัยะ ท่านเดินไปนัสถานที่ใดท่านก็เป่งว่าสุกหนอสุกหนอเป่งไปนัตสถานที่ใดท่านก็ว่าสุกหนอสุกหนอพระสงฆ์ทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาก็เห็นว่าพระปฏิญาเนี่ยท่านคงจะเคยเป็นคราวาสเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนท่านคงจะรำลึกถึงระลึกถึงสมัยเป็นคราวาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินมบบีบริษัทมือบริวาร มีอัครมเหสีในยุคสมัยนั้นสมัยก่อนนั้นท่านลํำเลึกขึ้นมาท่านก็คงลํำลึกถึงเหล่านั้นก็เลยสุกหนอสุกหนอรพระพุทธองค์ได้ยินพระสงฆ์ทั้งหลายปาลบแรืวากราบทูลพระองค์รพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่พัตธิยะเขาไม่เป็นอย่างนั้นที่เขาประกาศว่าสุกหนอสุกหนอเนี่ยมันติดอุปนิสัย ติดภพติดชาติมาในอดีตพระสงฆ์ท่านหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงหนาพระพุทธเจ้าคะในอดีตชาติพระองค์บอกว่าสมัยก่อนหน้านี้เราเสียสละราชาสมบัติไปบวชอยู่ในป่าหิมาพานต์แล้วก็มีบริวารเป็นอันมากพอตกหน้าฝนเราก็เข้ามาจำพรรษา อยู่ในอุทยานของพระเจ้าพาลานสีพอออกพรรษาแล้วเราก็ส่งลือสีบริวารกลับไปเป็นบางส่วนเป็นส่วนมากยังเหลือไม่กี่องค์เพราะว่าพระเจ้าพาลานสีนิมนต์ที่เป็นลือสีที่เป็นหัวหน้าให้อยู่ที่อุทยานแต่ลือสีที่เป็นหัวหน้าก็เลยอยู่ในอุทยานวันหนึ่ง ฤๅษีที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ออกมาจากป่าหิมพานเพราะเห็นอาจารย์ไม่เข้าไปไม่กลับไปง่ายก็เลยออกมากมากราบมากราบอาจารย์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่คนนี้พอมาตั้งกบายสบายๆเพราะท่านเคยเป็นพระเจ้าเป็นดินมาก่อนแต่นี้พระเจ้าพราณสีเสด็จมามากราบฤๅษีที่เป็นอาจารย์ ลือีที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่นี่ก็นอนนอนอยู่ในในบริเวณนั้นนอนไม่ลุกลับไม่แสดงความเคารพต่อพระเจ้าแผ่นดินเจ้าพระนระศีศรีแต่พระเจ้าพระนรีศีเนียเขามากราบผูษีที่เป็นอาจารย์แต่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของลือีนั้นนอนอยู่ในบริเวณนั้นแหลอแล้วลก็นอนเฉยมีแตะบนโ อ, นอ้สุกเนอสุกเนอสุกเนาะสุกหนอ ในี้พระเจ้าแผ่นดินเห็นอกับกิริยาอย่างนั้นจงพระพิโรธกอว่าโกรธในใจว่าลือศีไม่แสดงความเคารพและพูดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยพูดกับลือศีที่เป็นอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ลือศีตนนั้น่ะท่านนั้น่ะคงจะกินอาหารอิ่มอาหารอิ่มนอนสบายก็เลยบ่นว่าสุกหนอสุกหนอ ไม่คิดถึงอะไรโสดเผามากใครเข้มาโง่มากพะระฤาษีเท่านั้นได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็บ่นว่าสุขพระราชาเชิงดูถูกแต่ฤาษีที่เป็นอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะมหาบุพิษที่ท่านพูดอย่างนั้นตะกอนท่านก็เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับพระ อ, องค์เนี่ยแหละที่ฤาษีท่านนั้น่ะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับพระ อ, องค์แต่ก่อนนั้น ท่านมีความทุกข์เพราะท่านรักษาคนอื่นแต่กระพร้อมการคนอื่นก็รักษาท่านการที่รักษาคนอื่นก็ดีให้ผู้อื่นรักษาตัวเองก็ดีมันเป็นเรื่องพิตกกังวลอย่างมากจะหาความสุขไม่ได้เพราะพิตกกังวลในการดูแลรักษาเรื่องต่างๆเพราะนั้นท่านจึงมีความทุกข์ ในใจแต่บัดนี้ท่านมาเป็นนักพจนักบวชเป็นฤาษีรักษาศีลปล่อยวางทั้งหมดท่านบอกว่าโอ้ทำไมมีความสุขอย่างนี้ถ้าเราเป็นครวาสเนะ่ยปัญหาความสุขอย่างนี้ไม่ได้แต่บัดนี้เราปล่อยวางทั้งหมดแล้วไม่มีวิตกกังวลอะไรทั้งหมดมีแต่ความสุขสุขในฌานสุขในสมาบัติของท่านท่านจึงบอกว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอไม่ใช่ อย่างอื่นไม่ใช่กินอาหารอาร่อยอร่อยแล้วก็ น, นอนสบายไม่ใช่สุขอย่างนั้นที่ท่านฤาษีที่ท่านเป่งวาจาองค์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าท่านสุขด้วยความปล่อยวางสุขท่านไม่ได้รักษาคนอื่นสุขเพราะคนอื่นไม่ได้รักษาท่านไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องภารกกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง จะถามว่าเมื่อเป็นครวญท่านจะต้องรับผิดชอบในชีวิตครอบครัวชีวิตบริวารชีวิตประเทศชาติรักษาประเทศชาติรักษาประชาชนแล้วก็ประชาชนก็รักษาพระเจ้าแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องวิตกกังวลท้งนั้นแต่บัดนี้ท่านปล่อยวางหมดแล้วท่านไม่ยึดเท่านั้นแล้ว ท่านจึงประกาศพระตัวเองมีความสุขพระเจ้าเ่นดินได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้จริงอย่างที่ท่านฤาษีที่ท่านนอนแล้วกับ่นว่าสุขหนอสุขหนอน อ, อย่างแท้จริงจากนั้นพระเจ้าเ็นดินก็เสด็จกลับกรุงพาราณสีพระองค์ก็บอกว่าที่เป็นอาจารย์ของฤาษีในครั้งนั้นคือเราตถาคตฤาษีที่ว่าสุขหนอสุขหนอ ก็คือพระพัฒยะที่ท่านมากล่าวในชาตินี้ท่านกล่าวติดภพติดชาติของท่านแต่เมื่อตูอสีกดีลูกสิทธ์ของท่านกาดีในข่าวนั้นล้วนแล้วแต่ได้สําเร็จสมาบัติฌานสมาบัติพอตายจากชาต น, นั้นก็ขึ้นไปสู่พรมกันทุกองคแล้วเกิดมาเป็นพรมกันเนี่ยเราส ถ, ถาโคตเนี่ยนะได้เกิดเป็นอาจารย์ของตูสีและนิชาดกในเรื่องนี้ พระพุทธองค์สอนให้รู้ว่าเราเป็นนักพจนักบุตถ้ารู้จักปล่อยวางทางด้านจิตใจไม่เก่อเกี่ยวไม่ยึดมั่นทางทางโลกปล่อยวางทางโลกไม่คิดพิถกกังวลเรื่องทางโลกมีแต่มุ่งหวังแต่มุ่งมั่นในธรรมะพยายามดูการซํารวมกายวาจาและใจของตนเอง ทำรวมใจของตนเองไม่คิดไปในทางกามกักเลิโลภโกรธหลงราคาโทสะโมหะจิตใจพยายามชำระใจและก็ใจของเราปล่อยวางตามระดับขั้นตอนจิตใจของเราเบาปล่อยวางว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของโลกใจดวงนั้นใจผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขความ เย็นใจตลอดไปนี่แหละคือ น, นิทานหรือว่าชาดกที่ พ, พระพุทธองค์ได้ยกให้เป็นตัวอย่างแต่เรามาคิดมาพิจารณาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฎนักบวชถ้าว่าพวกเรายังวิตกกังวลเหมือนกับไม้อยู่ในที่บกอยู่บนบกแต่ชุม่มระย่าง ก็ไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้คือไม้อยู่บนบกคือไม้ที่มันไม่ตายเหมือนไม้ที่เป็นยางไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้ชั้นใดเราเป็นนักพจนนักบวชก็จริงอยู่อยู่ห่างจากครวาดแต่ใจของเราไปมุกมุ่นในทางครวาดไปยินดีในครวาดในเรื่องลาภเรื่องยศในเรื่องสรรเสริญเรื่องการมรุณ ทางหารูปเสียงกินรถสัมผัสใจของเราไปมุกมุ่นอยู่ทางนั้นใจของเราก็จะหาความสุขไม่ได้จะหาความสุขในฌานไม่ได้หาสุขในความสุขในสมาบัติไม่ได้หาสุขความสุขในการปล่อยวางไม่ได้พอเราไปมุกมุ่นใจของเราไปคิดคำหนึ่งคิดถึงในสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เพราะว่า ตัวของเราเป็นนักพจนักบวชก็จริงแต่ว่าใจของเราไปคำหนึ่งไปคิดถึงในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านตรัอาไว้แต่ถ้าหากว่าถ้าชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่น้ำอีกอันนั้นเหมือนกับคาราวาะ ชุ่มระยางและก็แช่ด้วยกามาคุณห้ารูปเสียงกินลดสัมผัสยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็ยากเย็นที่จะมองเห็นทำพระเจ้าสำเร็จมักสําเร็จผลได้แต่มีไหมก็มีอยู่แต่มันยากเพราะเหตุไรเพราะมันชุ่มระยางและก็แช่น้ําอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราขึ้นมาอยู่บนบกและก็เป็นไม้แห้งคล้ายๆกับว่า เรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราคะโทสะโมหะออกจากใจไม่คิดไม่คำหนึงพยายามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตร ล, ลักษณ์อยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดทุกกเริยาบทเดินไปน่าจะฐานที่ใดเห็นแต่ความเสื่อมคือของไม่เที่ยงเดินไปก็ไม่เที่ยงอยู่ก็ไม่เที่ยงเห็นใครๆก็ไม่เที่ยงใบไม้หล่นก็ไม่เที่ยงผลในสุดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอันทิจังหมดของไม่เที่ยงทั้งหมดในเมื่อสิ่งที่ยังไม่ไม่เที่ยงเห็นตัวของเราตัวของเราก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เป็นเด็กบันนี้เป็นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อีกเท่ากี่ปีเราจะถึงจุดจบใช่ไหมใจเมื่อเห็นอันิรจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่เวลามันไม่เที่ยงตาฝ้าฟางหูตึง เอหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดเก็บไข้ได้ป่วยเดินไม่ปกติเพราะอายุมากอายุแก่สุขไหมร่างกายทุกพลภาพเพราะใช้มานานโขกลาไปหมดถ้าเหมือนกับเกวียนท่านเปรียบเทียบเหมือนเกวียนสมัยก่อนตะก่อนไม่มีรถยนต์อย่างนี้ท่านบอกเปียบว่าเกวียนเออ เหมือนกับเกวียนแก่เกวียนที่ใช้งานมานานโเคเข็มดุมก็จะออกไปทางหนึ่งกงล้อก็จะออกไปทางหนึ่งก็ท่องใช้ไม้ไผ่กันหนาบไว้คาดคาดชะนอเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดแล้วจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ในที้ก็เหมือนกันร่างกายของเรามาถึงจุดหนึ่งสมัยน้อยหนุ่ม มันกำลังพุ่งขึ้นมาพอถึงอายุส4 0สสิปีแปลว่าทรงตัวถ้าใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ต้องว่ากันป่วยมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนถึงวันตายก็มีแต่ถ้าว่าปกติแล้วก็จะํำล ง, งทรงธาตุขันสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มก็มีสุขภาพแข็งแรงพอมาถึงสี่สิบห้าสิบปีแล้วก็ทรงตัว อ่สี่สิบปีทรงตัวพอห้าสิบปีแล้วก็ถ้าเป็นน้ำก็พยายามไหลลงทางต่ำหกสิบปีไหลแรงเจ็ดสิบปีไหลแรงเก้าสิบปีเนจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีพอถึงเก้าสิบปีแล้วก็แปลว่าช่วยตนเองไม่ได้หมดสภาพถึงใครจะเก่งยังไงก็ต้องอาศัยคนอื่นพยุง จะให้วิ่งให้กระโดดโลดเต้นเหมือนสมัยอายุยี่สิบสามสิบปีเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนั้นถึงขนาดนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์การอยู่การกินการหลับการนอนการเดินเหินไปที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นเสียแต่เราไม่ดูถ้าเราไม่ได้ศึกษา ในทมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ว่าธรรมชาติธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาติความทุกข์มันกว่านั้นอีกธรรมชาติของความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่เราจะให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นหรือเราไม่คิดใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับปุงแก้ไขปล่อยวางทางด้านจิตใจบ้างหรอเพราะมันมีทางออกอยู่ เลือจะไวธรรมชาติตายเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเหรอมันก็ตายจริงๆแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้านํามาคิดมาปรับปรุงใจของเราอันนี้ธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้แต่อีกสักวันหนึ่งเราจะรับไม่ได้นะธรรมชาติของเราแต่เหมือนกับคนอื่นสอนคนอื่นนะดูนะ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้ลหละจะมาไงเกิดแล้วมันก็ต้องตายเหมือนกับผลละมากรากไม้ต้องตายแต่พอมาเจอสามีภรรยาลูกตายเท่านั้นหละเอ่อสัอึกพูดอะไรไม่ออกแต่คนอื่นตายสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นตายถ้าไกลตัวกับพูดได้เสียงดังฟังชัด อแต่พอมาใกล้ตัวเข้ามาเลยยิ่งพูดไม่ชัดอมาจวนตัวเข้าไปเนี่ยอยู่ในลําคอเนี่ยอพูดเสียงเครือออกมาแล้ะเพราะเหตุหอะไรเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่มาเจอกับตนเองเข้าไปแล้วยิ่งไม่ธรรมดาเมื่อเจ็บไข้ที่ป่วยมรณะภัยเข้ามาถึงจุดตัวตัวเองนะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ถึงจะไม่ธรรมดาก็เอถอะท่าพวกเราได้มีธรรมอยู่ในใจมีธรรมอยู่ในใจเราได้พิจารณาทีท้วนอย่างรอบคอบแล้วเราก็รู้จักอรู้จักว่าไม่ธรรมดาอยู่อรู้จักโอ้ไม่ธรรมดาแต่ว่าถึงยังไงถึงจะไม่ธรรมดารู้ก็ว่าเรารู้ว่านี่คือไม่ธรรมดาออย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกได้สั่งไว้อย่าไปถือว่าธาตุขันให้เป็น สวรรค์วิมานนะาธาตุขันร่างกายของเราเนี่เป็นกองเพิงทั้งทั้งกองเป็นกองไฟทั้งกองมันเผารู้สึกรุ่มร้อนเร่าร้อนมีความทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีความทุกข์ยิ่งกว่ า, าธาตุขันจะแตกออกจากใจใจจะแยกออกร่างจากร่างกายมีความทุกข์ที่สุดให้พวกท่านทั้งหลายเตรียมตัวเอาไวนะ้ะเตรียมใจเอาไว้นะอันนี้ก็คืออันทีจังของไม่เที่ยงนะ สิ่งนันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกนะทุกจริงๆนะเราจะไปยึดของทุกของร่างกายว่าเป็นตัวตนไร่อย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาให้เห็นปล่อยวางนะธาตุขันร่างกายใจของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเป็นธรรมานัตตาใจตัวไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายเนี่ย ต, ตัวนี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขสิ่งที่มันทุกแล้วมันทุกเนี่ย เป็นนามธรรมข็จริงอยู่ตัวนี้ก็เป็นอนัตตาให้ดูให้ชัดเจนดูให้ดีปล่อยวางที่ใจในี่แหละธรรมะที่จะเกิดขึ้นมานเกิดที่ใจไม่ใช่เกิดที่อื่นเกิดที่กวนการปล่อยวางรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจเมื่อหลุดพ้นไปแล้วเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว UH, เราปล่อยวางแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว นั่นแหละความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นในจุดนั้นเหมือนตะก่อนเราเรียนไม่ได้เรียนหนังสือเราก็โง่เพราะเราไม่รู้แต่เมื่อเราเรียนหนังสือเรารู้แล้วว่ากอไก่ขอไข่มีความหมายว่าอย่างไงเมื่อเรารู้แล้วนั่นแหละความรู้ตัวนั้นแหละมันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้มันจุดใดจุดเดียวกันความไม่รู้ก็อยู่ตรงนั้นความรู้มันเกิดเกิดตรงนั้นนี่ก็เหมือนกันทำที่เป็นอวิชชา มันก็เป็นอยู่ในตัวนั้นทาที่เป็นวิชาคือความรู้ก็เกิดในจุดนั้นพอได้ขอยพวกเราทุกทุกท่านนะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่อยู่ในใจก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นได้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวาต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นต้องนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาดูร่างกาย ในเมื่อดูป ก, กายเห็นอันิจังของไม่เที่ยงในร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวอจากนั้นก็เข้าแก่ชรลาจากนั้นก็มองดูให้ชัดเจนธาดุขันร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นยังไงจากนั้นก็ห้อยพิจารณาให้เห็นอันิจงังสิ่งนั้นไม่เที่ยงสินั้นเป็นทุกข์สิงนั้นเป็นทุกข์ ส, งสิงนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางที่ใจอันดับแรกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมีสมาธิ พาลือศีลือสีท่านอยู่ในป่าท่านได้ฌานสมาบัติได้เพียงฌานสมาบัติท่านก็ว่าสุขหนอสุขหนอดีกว่าที่การที่พวกเรายึดมั่นถือมั่นถือว่าเงินคําทรัพย์สมบัติเป็นของเราเลือกสวนไร่นาเป็นของเรายศถาบรรดาศักดิ์เป็นของเรา สิ่งที่ไหนี่ว่าเป็นของเราทำให้ยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความทุกข์ถ้าหาว่าปล่อยวางจุดนั้นได้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ถึงยังไงท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางระดับหนึ่งท่านจิตใจของท่านเป็นฌานมียาณะ ต, ะตะนะปิงมีฌานพอจากตายจากชาตินั้นท่านก็ไปสู่พรหมเพราะท่านปล่อยวางท่านมีสมาธิในใจแต่มาพบนชาตนี้ท่านเป็น พระพระฏิยะเป็นพระอรหันต์ปล่อยวางโดยประการทั้งปวงปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมันใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าท่านติดในราบนยศมีความระเบิดถึงเมื่อเป็นครวญว่าไม่ได้ทั้งนั้นใจของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะอันนี้กขออภัยพวกเราทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันนะถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้พยายามปล่อยวางทําใจให้ว่าง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกับใครทั้งหมดเราไม่ได้ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้โชวฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อีกสักวันหนึ่งไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาจะต้องหนีจากกันเพราะนั้นเราจะไปถือว่าอานั้นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ฮถือตอนอวดตัวว่าเป็นบุคคลสําคัญมันเป็นเครื่องสําคัญตนผิดทั้งนั้น ฮะอย่างที่ลงตาหมาบัวนไงสําคัญขี่หมาอะไรฮงฟังดูสิว่าสําคัญขี่หมาอะไรไงอะไรคือสําคัญไอ่ต่างคนก็ต่างไปไอ่ตัวเองจะสําคัญได้อย่างไรเพราะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันจิ่งไหนที่มันถูกต้องเป็นธรรมเอาสิ่งนั้นมาคิดมาพูดมาทํามาปฏิบัติจะอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเพ็นสุขท่วนหน้ากันาการพูดและการ แน่ๆวันที่เขาเห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุติดเอาต่อนนี้ไปนั่งภาวนานะร น, นี่นะ